เที Så, yo, ¿no? sí, ar, ini, care, ่ยวเสียตลนมันทางสมเลื่อยอยู่นะฮควรทิ้สุ้าพกถึบาจะดวงะเทงก็เลิกท่นเตลอเพี่ยไม่ทาเล้ที่ทาให้เป็นเลยได้ใเลยทีีลอดีหทางก็จะเสยม่า เป็นตัวเด็ดทดแล้วตัวที่ยันาน้าง้ายก็มีคนทอดผัดเป็นแต่เสื้อทำเป็นสายเวลาเข้าทยไหมายครับนัหลอกสองสโลกไม่มีอันเกี่ยวของนตเสื้อละเป็นคเดินยันเนยันดูจากตัวโลกไคร เราเริ่มบรรลุธรรก่อนรงนี้เราบั้งสาทีนบววถากายเราบวชอกนงที่มบมก่อนแตก็เส้างในขณะเดียวกันนันะีคือต้อวายไม่นานเท่าไตรงนี้เป็นตลดทั้ง หันดิรื่นให้ใจคนรื่นฮักรื่นัองฮักเข่าฮักของฮักความทกนักทุกขรักสกสารหมือนดังผู้วันนี้ดูรื่นถือกันเยอะากจะหาที่ได้ก่อนทุกข์วันไม่ทาเป็นธรรมจริงๆคือทรงทรงธรรมนังจริงๆปฏิบัติธรรมจริงเจตนาเป็นธรรมห้ใจเป็นธรรมวข่วก็ ที่เราเป็น ท, าทําให้านั้นไม่มีโลกจะ เ, เกี่ยวพดนี่แหละทาแค้เพยงเพราะฉะนั้นสาวไปที่ไหนจะ ท, ทาความร่วดินให้แต่โลกมันมง่งไม่ต้องรบกวนสิ่งใดกับใครเรืองน้ำเงิ่กลางนี่แความสุขข้ า, า, าขโลกไม่ได้กวโลก ขคนอ่นมเงไปเี่ยวกลุอกนยากนาบอสนอกน่งเจ้าหอจากเลให้หลวพ่อดูเถิดสบายนีว่าหลวงพ่อจะเสนอกม่าเีัข้าเขาจะดวงพถึง มตัดสินใจปฏิบัติได้แขความตึงตัวไอย่ับรที่ันก็พอขอปฏิบัติ กระดูกบออะไีัใจเนทดวใจเป็ น, น, น, น, นท้องเบาอไียอ่าอะรท้องเบาจิตมันยัดตัวถุงอาหารไม่ได้อาหารดีเลยออถุงอาหาเพราะว่างั้นพอรู้สกิดมันคือไม่ใส่เลยมันบ้าไปก็คุ้นไม่ไปก็ทา นะหยเลยที่ไหนไมีระทีวนดนา่าพราความเป็นน os ั้นเรื่องของจริญเรื่องเจ้าเจริญท่านจะเห็นสี่นี้เป็นไท่ท่านที่ไม่เป็นเส้ทหาของพวกเราท้งานถามต้าท่านเหลอนี้และทเป็นทางการถมจะเป็นท่านเรา เราทัหลายแต่จะเป็นฐานะขงตัวเองก็ยังได้แต่เป็นพฤกรรมทางการกระทำนี่เป็นว่เขาเ่าจะสอเื่องนี้ได้ตัวเองก็ไ่ไทีิดกันีคือห่เาี การปฏิบัติมันก ok ็เป็นค่าสิทธิ์แต่ทำโดหรับ pues ขึ้นไดงทางกาทางวาจาทางใจนี้จะเป็นค enfin ่าสิทของธรรมแต่าสิทของิ่งนิทานเป็นการเข้าสายิเศษเส้นหนึ่งแลเรางนิทานมาจากไหนี่เศษไม่เคยและคนไ่ต้องยุ่งิ่งนานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องค่าพิเศษมีสิ่งสมาธิตงๆเป็นต้น ข้อที่จะถือว่านวิธีการที่ผได้ให้ผู้ปฏิบัติมีสังเดช่นการอัเนื่อง่อนสังนิจฉุเ็นที่เดชขันหลังการนั้นผู้ปฏิบัติจเรียนอย่ามองอื่นนั่นมองไปทุกทางทั้งมองทุกทางตลอดขัเป็นหลักความพ่เป็นพ่ตายกับท่านทางจิตใก็พิ่มล้ความเพิ่มเป็นพิตายกับท่านในข้อปฏิบัติ ที่ท่านคจะแสดงว่อย่างไรที่ท่านปฏิบัติอย่างไรพาดั้มท่านดำนินอย่างไรน่นก็เป็นอีกอย่างยึดหนักที่ยึดเป็นขั้นข้างเมอดยเ่อา น, นะนี้แล้วะเสริมสัมพันธ์กันดีนานั้นนี่ก็จากเราเห็นเลแต่ตนถนึงเวล้วึนี้ตร น, น, นี้ตรนี้ตรนี้ตง้ว่าที่เคยตปา พลังข้ามจอจงกรลุกกระอิกให้ยกขานใ้สุมมาเป็นนั่งเนนิ่งวนท้ายตาเร้าตาฟังเป็นนิ่มองเห็นทางนี่คือน้อพอตบกระป๋งนี่ไทยเลี้ยงแล้วอะไรทเกิดขึ้นไม่มีควางโน่เท่านั้น ดุสพกุ๊ลงดูสิปเล่น <c oughs> นมั <c oughs> <c oughs> นเปนงานโลกกระทันโลกกระทําอะไนอะไรเป็นเรื่องใี้ดิเรกสิสิ่งที่โลกกระทัาก็ต้องเป็นผู้เรียนทำไม่หลอกเขานีไหมเรื่อถึงจะนำภาษานสมัยอยากมอง เรื่องตืเ้นขของสรามแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใบทีปไปก็อยู่ดึกความน่มีสีสุดงไหลมาบ้าน้อยข้กานล่าที่เลที่เลวจเป็นเรื่องเงทั้งหมดนี flow, ่น ah ่หาความสุขอย่างนี้ดูเรื่องที่นทีกคนมหีหน้าดูไ่ดเราดูดูความคิดเราดูถ่าย้านั้ที่คืน แล้วมาดูเป็นแบบในโลกโกเองแล้วดูเป็นแบบทรมันมันจะดิอยู่ไปนั้มันมันก็ไม่เป็นแบบโลกที่มันเป็นงานเองันมีแง่ให้มันเปได้คมาอ่านเ็นอะไรคิมาคือรความเปนูของโลกความุ่นวายของโลกความเปลี่นแปลงของโลกมันเปล่นแปลงปัจหนึมันุ่นวายแ่มันจะเปต้เหอมามึมความิความตัความหนามันข้น้ววาม้นละลยมันดูไปนั้น เวลานหนึ่งกำลันถ่ายถาถือแก้วแก้วอะไรนี้แต่เยียแก้วท่นท่ายแกเล่าอะไรแนี้การคืนต่างถือแล้วนี้ถายิ้มแก้มเหมือนมีความสุขทค้งีมันเป็นปียนนันมันเล มันจะไม่ม so so so ีไม่ีความสุขมันิกมาีแค่นี้ไม่เนไรถ้าเสื่อหายความสุขทำไม่ได้เขาคิดว่งนเงี้ยไปไมาไเรียนอาการกระดับหน้าร้านไปนี้มาดูัึ้นใจดูมีหาไทและความสุขในโลกอย่าไปสนใจว่าโลกหาความสุขเจอพ ให้ปล um, um hmm. ่อยจิตเกิดใจมีความเปรียสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราความเยี่ยมากเยีนยสงเพราะคนนักถือแต่มีการฝึกเพราะการปฏิบัติธรรมี้วยคำเห็นคำเจ้าสิ่งที่เป็นข้าศึกหยุดพัในจิตใจออกนี่แหละบ่อกความสุกที่หนึ่งบ่อกความแห่งความไม่วางใจประยุที์บ่ กดจอาระทั้งหมายก็อยู่ที่นี่ท่านไอ้นีานต้องเ็ดงานข้งเราให้ต้องเด็ดน่เลยเพราะนั่นละงานของเรา้องนำกรมานานี่เแ็่ที่เจ้าสอนสองานให้เป็นแต่ละบทคือเจ้ามันขาังตาไปตูแต่ตูดันตาขาลงมาคือ่จอามีเป็นเอกเทศสอนมีกเทศให้อันนี้เป็นข้าหนึ่ง เนี้ยก็กระจายออกไปตรงเหมืนเราเป็นกระทูหมือนากระทู้เป็นมัดคือมัดเอาเป็นกลุ่มตป็นมัดเป็นมัดแลที่นที่คลายไว้พอมาถามห้างมีอยู่ที่ไหนมี่ในกายกระจายไปจนะทั่งอาคารฐานทสองกระจายออกให้น้แจ้งที่มีอาการฐานสองกระจายไปเทียบเที่ในทั่วโลกผลสานไมว่าผู้ที่งาย มันม่เหมนกันนี่ทองงนนี่มันกระจาย่เหมนงานงานของงานการนี่คบด้วยขันนี่ว่าตัดถงสามแต่เรื่องที่เด็ดเนอาชว่าอาว์ครคืองานอย่างนี้เองประธานที่ใดที่เหมาะสมพรองค์ก็แสดงให้เห็นว่าคุณมระเจ้านาการตามต่าตามเขาทำผ้าหรือบ่ เอกสารที่เนขึ้นมาตายงานเอกสารที่เหมาะสำหรับงานตกลงงานเพื่อนไม่เหมาะงานเอกที่เพื่นนั้นไม้ขฟันฉันก็มาให้ดิงพลางไม้ท่อมเพื่อเพื่อเพื่จะเป็นการกังวลกัเรื่องความดีควาิการภาวนาจะไม่มาฉันเพื่อนเดียวเคาเลื่อนเพื่อนจรงเพื่อน้เดียว เพราะฉะนั้นตดิมเข้ายาคูยาคูก็แปลขต้องเองดืมน้ำเขาต้องถังมันจะหมาดได้แต่ทำไมวายที่มันได้มกขนาดเี้นี่ของเราที่มีข้ตอนการเพิ่มตอนเพิ่มดืมวิ่งข้าตอนทำเลือดไปเลยไปรื้อเรื่องคำถาม เป็นหัวใจแล้ันเป็นว่ายนาใครอกนี้คอสบเหมือนกับนกที่กระตือกระสานต้งแข็ต้องไเพิ่มพลังหนักหน่างรามีการกินโลกก็ยู่ได้กินได้ยังไเราก็เป็นคนหนงเขาเป็นคนหนึงเขากิน้าเรากิน้า สมมติวหานั Talk, tomato, there, ่เรียนนยนนว่าไปนั่นแหละยองหน้าในธรรมนั้นกันหมดทินัหมดเท่าผิดจากพระนัยนะลอนเลี้ยนงายเยงโงายไม่ไม่ต้อกังวล่าเป็นคนทั้งไหนคนทั้งขทั้งต่างคนมึงนันมนีไม่มมีต่หน้าบวชอาศขอทานขจิ เราให้อะไรมาก็นตามเงื่อนธาราถ้าไม่ผิดกะโลกับไัยขาดก็ฆาเข้ขาดไม่ินบอก่งมนเป็นไปไา่ไังการความเพียไม่ได้เว้นไม่คอยหลังนีงานอื่นใดมายื่นเป็นายความเลียรทุอย่างทั้งเกิดโดยจิตจิตย่คิดอะไร เรื Act, ıt, cares, you know, ่องราทั้งหลายที่มีเป็นอารมณ์ิหยุดเปนทุึ้นมากลขึ้นให้ฟังท่านไม่อย่อวดเข้าใจจริงจริงแต่เรื่องอารมณ์ของตัวเองมันหลงอารมณ์ของตัวเองทุกข์นอาไปว่าผ่านรื่อง่านเรื่องนี้ผ่านเรื่องนี้หูือตลอดเ่องคิดเร่างนี้คิดเรืดูกับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อ โยเนเรื่องมันไปโดยบกำลังกำลังเมื่อทำมารมณ์เมื่อทํามารมณ์ทำมาร้อนเธอมันไปกับเรื่องกับเราเวลาติดขังเรื่องนี้ก็ไม่เห็นหายหรอกแต่เวลาที่เราทําหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำแบบใดก็ตามหน้าใดก็ตามเาพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภาย น, นอกจะไม่เกี่ยวข้องพอเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตนี่ตงึงตึงเรื่องภาย น, นอกเข้ามาทําลายจิตใจ คือทำหน้าที่เพื่อตอสอบแม่ทำหน้าที่เพื่สังสมกุลเวทโดยการพิจารณมอารมณ์ต่างๆ ท, ที่เรียกว่าธรรมารงงมือมก็้กาางบ เ, เ, เดือนสั่านั่เยือนทานเยือนเรื่องติดอ่นก็รดเร็วเราไม่ทำเนี่ยยอ่านพิจารณาอ่านพิจารณามเดินเข้าไปปฏิบัติเข้าไป หยุดไม่เว้นเข้าไปสติปัญญาเรามีความเหลนคมขึ้นคลองแคล่วแจ้ง่าเป็นโดยลำดับนี่ก็ถงที่แยกออกจากเรื่องอะไรทัมัก็รู้อัามีตุออกไปแล้วพอตุ้มรัมันรื้มกระดับทับมันก็ไม่มีเรื่องตเรื่องีเรื่องชายเรื่องดีเรื่องช่วยองอดีตอะารทุกอะไรก็มีคนเร่องพูดถึงว่าท่าเร้นอราวเรืหลักของมันก็ขุดหนังในท่าอย่างนี้ในจอนเต็ม เลือดเลือดถี่เงาเลือดถี่ผมว่าเน่ยผน้องมันกเหมือนกันอารมณ์นึ่งมันก็เหมือนกันหางทนทันขนาดที่มันเป็นขึ้นเรื่องอะไมันก็แบาแค่สทันนนิ่ทําเุณทาแบบพร้อมเต็มท่านแบบพ้อมนั่นงก็รู้ถึงได้พอเวิดถึงแม่นี้ก็ ทำนห้เคิดคนวเหมือนปางงเขาการจิตเกี่ยวกับการจิตเป็นสมาธิเพราะกอสายหลักจิตมันคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความนู้โดยการปรลมในเร่มันจะว่อภาพเสือภาพอันตรายที่มมาให้กลัวถ้าประโลมในฐานที่กลูด้วยันฐานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่มันส่งกระพันนอกเลย มืนอ่นี้เป็นลายถ้าองแบบนี้จัไม่ทำมีความบาดฐานฐานใจไม่ผึดเลือจะเดินมาต่อหน้าหลังมันจะเดินก็จะหกคามหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะวารทำไม่ผิดมันแน่ในใจนันไม่จะเสือจะทำอะไรได้เลยอาจจะเป็นความขึ้นมตีเกิองก็น่าแต่จากคาันติจมันถืประการมาจิตได้ถึงขนาดนี้วมันไม่มีอะไรควรใจความคือก็ไม่มี ติดมีกำลังเพราะให้มันออกขัานหนึคืเื่อยเยื่อยไปมันเป็นกาลังแน่นังเลยนะคือเนี่ยวแต่ละอะไรก็มาผลมันน่นเลยนะมันอาหารเน่่งเสือกับมาช้างก็มาไา่เหนื่อยยากไม่เลยนะที่มันเต็นความอาหารมันเองไม่กินละเสือกับ้างเป็นต้นนะทําลาเราได้หนึ่งโดนอาหารไม่หนึ่งสบายแม้แต่มันจะทํารังให้ข้าเราให้การกันึ่งแต่รู้ยุทธาสตรไปด้แบบอาหารนั่นเอง การเรื่บตัวนี้คงเป็นการนับเพื่อชีวิตัจิมีกำลังแตี่นี้คือหนึ่งการนับความตัการนับความข้าความก่อเพื่อนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆการนับอย่างนี้ประการพอในข้าวเข้าสู่ตันดาเอาที่นี่เป็นอีเดือนหนึ่งนะการนันความตัวเป็นอีเดือนนังเป็นอารักษ์นาทีผิดกรรมไม่จนเป็นดือนับ เราเอือญเราไปปฏิบัติอย่างไรนะไม่มีใครบอกมาทางรูจิตอธิบัติตัวเองเ็นเรื่องมีจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงดไม่ส่งกับแต่หาเรื่องว่าเสือว่าั้างว่างูว่าอะไรอันรายอะยไม่ส่งไปไมมีเรื่องควรตัวเอาจิตไม่หลอกถ้าจิตกล้าเข้าวิจารณังยัถึงเรื่องเสือมันก็ทันแล้วนะเป็นยับุ่นถึงข้าบเสือมันก็ทันแด้ มันเป็นภาพเสือทางก็ตามทรให้เ no, like like ็นทำใเป็นเสือขึ้นมาแลแยกข้าศึกทางที่เสือนีคือแยกทำามาแยกคาเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินธรรดาอยู่แล้วนี่เราถ้าธรรมะจิมันไม่มันไม่เห็นเ้ืยอีจิมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเสือคือ้าอะไรเสือตรงไหนทนี่ ก็ตั้งเห็นเนเป็นภาพเสีสยวอย่างนั้นเม่มันหลับถ้าเรารู้แล้วภาพที่เราอกไปหลอกของเอาตั้งไว้ภาพนั้นอ่ะกัวนะตัวอะไรอิสติสัญญามันทามันทำความเครื่องหมายทั้งจิตมันทาเองนะเหมือนแต่ภาพมันทำในอย่างนี้เรื่องความูเห็นเสื่อมฝันนี่คือการตกเตือนิมันเลดเลยแล้วมันทาภาพ ปุ่มของเรองามซ้ำมันมันมันเห็นมันมันรู้แยกการแสดงทันทีพอรู้ว่าดับพ้อมอันนี้เราไม่ไดกาไมมบแยกเขราเป็นมวลาของปัญดาให้เป็นเครื่องนื่อิใจห้เรียเข้าไปอีกเีข้า้ก็ไม่บเบื่อเบืออะไรอ่ะเลียงเบื่ออะไร ตัวตามเนื้อตาเรากำลมีหิวกลัวนะมาแก้นี่ยตัวเลบเหนื่อยแค้านกำมีหิกลัวเน่ยพวกผมนันลดผมเราเ็นอหิกลัวนะ้าเลือกผมกินข้าวเอกคนกลังยืดเองคนเราก็อันเดียวกันท่าอนเดยกันเนี่ยขาวเชี่ยวมัม่เชี่ยวเราเป็นมือนะเวลาไล่หายใจไม่มีจนกระทั่งถึงหางเว่าถึงหางมันก็ลังจะจบกำลงนะถ้าเราไม่หางเลยี่หัวหาไม่เหน่อ เพือหามันก็ไม่กลัวมันเองมันม่เหกลัวแล้วมันกลัวฮัพเกิดอะไรมันก็สัญนะเพราะฉะนั้นที่กําหนดกระจายจริงหนดเพราะมันมันเลือกเดินตั้งยาวเมืออที่แตกกระจายอันนั้นก็แตกกระจายเนี่ยคือความตึงติดแต่ตอนนี้ก็คือคือตั้งเนเรามันออกเป็นเป็นภาพเป็นขาเสือมันเป็นขาวเสือะก่อนเึ็นพฤติรมนั้นแล้วที่กํากหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายมันจิตจะแยก เขาเป็นภาพของจิตเองถ้าจิตปัญญามันทาเองมันทาลายกันเองโดยสมมตว่าเสือเสือประสานสี่ล้วมีเสือมันเกลือนอันี้ให้มันดูซะก่อนนมันตายแล้วบคุนค้นก็ถ้าอะไรมันก็ดับปพร้อมดับเพรมก็จะกลอั่ต้องมีไอหลอกมันฆ่าให้ตัวเองตลอตัวเองตาหาเสือจช้างว่งงว่างแ้ เป็นก็นมันก็เป็นถ้มาิันหนึ่งเรากเป็นริอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นนั่งเสอยมันจะค่ามันจะ่ามันเป็นนั่งเสียจิมันพลกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คลิกไปฆ่าให้เกิดมันก็ไม่เกิดแต่ท่านมันว่างไปหมดมันว่างไาหมดอะไรแยกกมันกเนเหมนกับแสงห่อนมันเป็นมาเดนแยกเป็นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพ้อมีแต่ความว่างก็เหมือนโลกตะวัอะไรสติิดมันครอบร่างกายมันมีว่างไปหมดแล้วข้าวโลกตะวันก็อยู่เรื่อยแล้วถุนไปกลัวอะไร ใบที่แล้วน่าจิดเป็นไงน่าต้องควรควรต้องข้างใบที่ปิบานำออกท้ายมือนัําเต้าหู้เผอควาสดรราไม่เิดนะแต่เราไม่บอกบอกมาหล้งอ่างเง้สมาธิจากไหนกันยาก็ควรจะใช้แตามขั้น้า มันพิารณาหนังใบคนหนัที่พิจารณามื่อเกปัญญาที่ไหนพอเกิดึ้นมามันก็ทาให้เข้าใจถ้าเข้าใจงมันจะเห็นคึณค่าของัญญาารนั่งกัะเดินปัญญาเรื่อยๆทางาเป็นเคื่องใก้เยสมาธิเป็นตัวเน้อยเฉขึ้นมาเรียนตัวให้ไปสงบแยิ่งเยือย่งวายและไม่ทึ่งข้าวโยตัวที่ปัญญาทุกขีทาย เกิดกิกิดผลก็แค่กิเลสเกิดผลท่องที่ตรไหนี่เลสหลุดลาไปเกิผลท่อมที่ตรไหนี่เดสหลุดลาไปเรื่อยเรื่องพรเจ้าเขาเกิดความสะดวกสบายถึงคุณค่าของตัญงนึ่งนั่นนี่เรื่อยเรื่อยทำเพือนไม่ต้องบอกอารองตัญได้ออกก้าวเรื่องความที่เลียดที่ค้านหาน้ากันหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ในต่าเขาถามคือเป็นไรน้าตัวไม่นาตัวไม่สำคัญไม่สนใจเลย สนใจไปี้เลื่อ็มนัวเรอทไมคือเก็ี้เด็ดเป็นผู้พานกลัวไม่วัาเสือเป็นอันตรายนะขี้เลื่ี่เป็นอันตรายเนี่ยได้ขึ้นมีเสีอเสือเสือความกลัวนีเป็นที่ที่ยเด็กเดีนนของเสือนี่อยู่กับพมันทหารถ้าเราให้ถชื่อว่าเสือมันขี้เป็นอันตรายนี้ก็รม่เหอะไรมาขยับจิตใจได้กพคือทคามปความแต่งความเกิดความให้จิตนี่เองมันมาผ่านจิตัวเองนะทุกคนทุกคนทั้เพราะฉะนั้นติมอันนี้เป็นไผ่ง มันอาจมีแต่เป็นไทยไม่เห็นพะเน่าเป็นไยเข้าถึงขั้นทางจรมีแต่เกลือเกลือเนไทอะไรเกลือเป็นไทยยุพะเน่ามันมัน่อนมัเห็นมันนี่็ได้เรมาที่นี่มืนจะไปตะคุ้นเงาเงื่อนมะเน่าเงื่อนทำไมตรงยาตรงถึงขั้นเงือนมันตื่นตื่นเงื่อมี้เห็นเห็นนี้อะไรเป็นคลิปกางขึ้นลงันงือวราเป็นเรื่องของเกลือมันทำมันทำมันทำมันเลื่อ การปฏิบัติต่างๆอะไรเป็นคนชอบคิดชอบพิจารณาผูะนั้นจะเข้าใจเพรนั้ว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่คนไปพิจารณาพิจารณาการสดบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอนถอนเลิกที่จิตก็เ็ื่อความสบายที่จิตต่อนปโนหน้าโยนหลัแบบนี้กัน เจะไปข้ามเราเราไม่มีพลนสมาธิรือเราไม่มีมาทิมนแค่นั้เป็นปรญาเป็นน่าที่นาปัาขหน้าอินทนา้วอ่งิมีท่านไหนยิ้มนีลยิ้ท่านไหนมั่งมมนบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันเป็นยิ้มทเกิดแฝงหัวใจเรคุกซึทุกอย่างทุกอาการของยิ้มมันแสดงออกมาเราต้องคิดเกี่ยับมั่ะยิ้ไม่เห็นว่ามีท่านไหนฟืนใดมันทํามมันเป็นยล้มที่ระยะยิ้มแสดงตัวมา เวลาเราทำโน้หนที่เราจะพิจารณาควไมไดต้เป็นรถึงเวลาที่เราจะพิจารณาเร้อง่ิจนราเพราะพิจารณาจะเ่วยก้กิเทำได้เป็นธรรมมัองอยนี้กัาต้ักหน้าหักหลังและสังข์ทำุม่ไม่ทำจารณาเรียนเกิดมหาด้ยปาธมะ ยังไง ม, ม, มั น, นนะ ก, มกิทาานทะแตยาเฮ้าว น, นนั้นต้อง่ากันหม้นะปีกไก่ะโสดาพระพิธารพระนาคาบรรลุโสดาบรรนุเพสพระกิธารบรรลุนาคาบรรลุอรหัตขั้วเนี่ย น, นั้มันก็ค่าอัปตางแนี้ ทำเป็นลูกเราเไปจับเนลูกอืนะรับนลูกอื่นนี้มันก็ค่าไปทนี้เือความคาเหล่านั้นอ่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันตีกรงคุณโลกนั่นะครับอันเดียวกันห่านกันคุโลกฉะั้นว่าภาพในอเมริกานี่เป็นต้นนะอ่า้าไม่เคยเห็นอเกาขึ้นสูงวายงต่ำสเต็มเลยคือเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังมาฆ่า้อะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะน่าฆ่ันที่เมืองไหนก็ตาม ธรรมาภาพมีกี่เราก็เชื่อนว่าเป็พอไปเห็นนี่เท่านั้นภาพที่เราวาไม่รั้นหนักตับความจริงเป็นคนละโลกเดี๋ยวเราก็ไม่ยอมเห็นโครงว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกลรงแล้วมันเคยหลอกมาตั uh ้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องอะไรมันก at ็วาดภาพมันขึ้นมาเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องมีภาพที่นำประกอบทุกๆทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไป แต่เวลาแต่สมกันจิงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวอันนี้ขึ้นคนจะเห็นโทษแต่เราก็มันยอมเห็นก็องถึงกิเลสมันกล่อให้หลับสนว่าภา่าภาพมันเหมือนทำเหมือนขันนี่ขึ้นในเวลาขึ้จะเป็นไหมจารณีจะเป็นหนี่จะ็นจะเป็นอย่างนั้นนจะเป็นอย่างนั้นมันว่าําพมันวาันตเหล่านี้จะเป็นเครื่องหลอกเราไม่ต้องไปภาพเปมาไม้ให้โดนตามนี้เดีย ในปัจจุบันทจตำหลักที่ไดยังมาเห็นกรให้เกิดการกิจการวัตถุเป็นของร่างกายชอบทงานให้ดีไม่มีกติกมนกระเดือกะไหลก็ไม่ให้ติดชอบเพลินทุกกระทู้ถ้าทำงานทำไมทุกงานงานก็เส็นหลงานนอกงานมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาชอบาะ็นทางานอัไมี้ก็เราทำงานกิจกรรงานาติกาต้องมีมันค่ะ จะน้าม nó ่เ uhm ห็นเลยเรื่องความเห็นด้วยความขณะอารมณ์มิดกับตความเปี่นอิจฉาหเห็นเรงความสัมกับคนจริงเป็นคนนี้นะเ่เหมือนกันผมเคยเห็นล้วที่ไหนก็เอาไปฆาไปก่อนมาเลยที่นาจะดนะถ้าถอนได้จันหลานจิดทิ้งตดตักต๊กกระจายมันจิดที้ตัก นี่ไม่ยอมกอดไม่ยอมกอน่เปชักข้าชักทข้ชักเข้าชักนหมดเพื่อร่างกายเนมันกระจายไปหมดเหมือนกระาษตึอืมมันตึไปหมดเพื่อร่างกายจระทความแตกตานมันเป็นไปในในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมมันทำไปแตกไปมนเกลี่ยเนาดูเลยเห็นไหมครับมันทองตัวออกมามัน เป็นตังอย่างเยอะเลยปลุกปัปลุกปั่นปกปันนี่เกิดความก็ะเด็ดขัเร็วโอเห็นอย่างนี้เลอเห็กายเห็นอย่งนี้เลเห็นอะไรนี่เลนี่มันท้าเพื่อนอย่งนี้แหละแต่กามที่ถืคือเห็นนัวเป็นจริงจริงเ็นเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้ติดกระผมด้วยความใจทัดเข้าทัดข้าทัดข้าไหลทัดเขันนั้นขาดออกไ่หยุดลงไปเรืยเรื่อไม่กาหนดมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความลืมทุกอย่างไม่นั้ เราติดเยอที่ม e k k ันกระจายําหนดในร่างกายของเราเลยในขณะที่มดร่างกายตัวกำลังวายร้ายหัวมันขาดลัน enfin ี <with> ่ข <M> ับลงตรลงไปหรือว <yeah. S 1> <Sure. S 1> ่ามันไม่มีความรู้สึกการมากันหาเงียบลงท่นก็จะาการเดีเนั่นเองนานไปแล้วจนท่านมันถึงทีดไหนเราเห็นมันก็เห็นเลยครับมีแพร่กระจายลมันจะมีเสียนน้ำมันก็ซึมลงไปใน เอินมั่งขึ้นไปบนอากาศมั่งลงใจกระจายวามร่าพัฒน์ขึ้น่าฝึนี้นี่างเน่ามั่งฝกฝที่อะกแ่าท่านเป็นเหมือนขื่อจะร่องที่เรียนกระดูกสมานน้ันกระจาย เปนกายเป็นน้เป็นกายเป็นดินเป็นกไปดันน้ำเหงื่อแห้งไปอย่างที่มันเกลี่ยงอามันก็เป็นดินไปอย่างนี้ดูเพียที่หัวาเสกระดุกมันก็ยังหนกองกนมันขยัมันเองไงมันก็มกลาบึ้นมตะล่อมทรวมกันเปกองเห็นที่จะเอาไฟเอามันมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นน่นการทั้งนั้ มันไปเป็นอย่างนี้กระทย่างนี้มันผูระลบทางเลือนะตั้งใจเองูกที่จะมาเป็นตสลับหักทาแต่เหลือแต่เิ่กระดุกขึ้นแคนี่อไมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันนานตอดอยู่ี้กอนไม่ทราบแผ่นดินมาตักที่ไหนเอ๊บอะไรมาติดติดเอที มาปมันมากดกอมก็ะดูกที่เรากาลังกลังกามาการากดกากัดิ้นมาได้ที่นมากเปันต้นนันก็เป็นความเที่ยงธรอ๋อมันก็เป็นโยงแบบนี้เองเพราะว่างั้นโยงได้ว่างแบว่า ขึ้ว่าความว่างอะไรนหมดความสคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดอยู่อยู่ต่อยู่ที่ไหนนั่งอหรือนอนอยู่อยู่กุออยู่ย่อมไม้หรอยู่ที่ไหนไม่สาคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้นยละเอียดสุกขุมเป็นความอัตักของความรู้นั้นอยู่เท่านั้นจึงต้องได้ นั่ละไม่ค่อยดีนั่งก็ขยายตัวมาขยายตัวมาแล้วทีนี้จนกระทัามาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นพื้นของจิตแล้วมีว่างอยู่เลยก็เห็นด้วยติทั้งไหนก็ไม่ห็นมีว่างทั้งหมดเพราะอานาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันไม่หายจังไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ไถึงขั้นว่างนะมีว่างตอนที่จะมานั่นเอ นั요요่นแหละเห็นร่างกายเห็นครับจริงๆไม่มีทาสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นไม่ทับเห็นันนั้นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมาแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมาเห็นก็เห็นแต่มันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียใจว่าแบบม่เป็นอย่างนั้นแบบมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอรก็คืเป็นไปตามเนี่ยงพิจาาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆ ความเห็นเห็นไปเลยนกระทั่งการความหมายมันรู้เข่าทันหมดแล้วการโดยการเป็นอากาศไปท่าไปหมการล่างาปมันรู้เท่าเดือดแล้วก็ล่างไปด้วยเราหลักใจที่มีเราไม่สงสัยต้องเป็นกับตัวมันเป็นที่มาล ทุกอย่างเี่ต้องทำขันเขาต้องย่างต้องเอาเป็นจุดตัตัต้นข้าใลเออว่า่าบ้างก็ทไม่ถินไม่เทย์ก็ว่าไม่ได้พันาก็ว่าที่จะงั้นก็ว่ารว่างหมดส่วนห้าคือของมองเห็นอ้วยตาขยายไม่มองเห็นตา แต่ใจมันคลุกเองมันเป็นๆเพื่อนงอเงาม่างไปหมดมันถึงขั้คว่างมันสึงขั้นแย่ก็ทำใหคิดถึงคณะสำรจคณะึกษาศึกษาไม่ทราบเป็นังไงมันยังันขัดขัดตรนี้คณะสำรวจคณะถามต่อเพื่อเียนตลังก็สรวจจนสิ้นรวจแล้วถามต่อไปเขาคิดว่าสำรวจ็นที่เรายู่นี้ อรัถก the the the the the ัลยาการสุดรวมถึงขันธมรรคเมต谛เมตติมโนทำทำในสิบเมตติในงานในสิบเมตติมโนสมผลเปิดสิบเมตติสิบเมตติมโนสมผลจับใจจับใจรีดดังดูข้างในดูข้างในดูข้างในดูข้างใตับนี้สิบเมตตินึ่งถึได้เป็น ด้ว ย, ยกวารเบายาสิอ่านในรูปในเสียงฟ่อกันด้เยบอหน่อทั้งความสังผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากน้อยตาตกลูกกระทบกันกิดตุก ข, ขึ้นมากือตามตูขึ้นมาข้างวันข้างวันลูกขมัจะขึ้นมาดยว่งตางๆนี้ไแต่กลับให้ตัมี คือเมื่อหนายในสิ่งนี้ทั้งทั้งทั้งตาทั้งหูทั้งสิ่งที่กข้ามาเกี่ยวข้องก็จปมีอยางขึ้นมาทุกทุกทุกเกิดเยทะข้นาเบื่อห่ายทั้งหมดแล้วเขเกลายเป็นมาละนี้เปมนบิดาตุหมายความว่าเสี้ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราะนี้เป็นบิดาตุขึเบื่อหน่ายในใจมาะนี้มันละอ่อนไปในจิตใจาละี้เป็นจิต ทำามย็นินิิิบอหน่ายเนี่ยทำออารมณหลงเมย์งานเมย์เปตินเบองหน่านีความรู้ที่เกิดขึ้นจาิ่งอย่างเนี่ยที่เรางอาในควางจิตารมณ์ทางมย์งานเมย์เป็นวินิจิเมย์ขั้นปัเตเปนวินิจิเบอรหน่ายนั่นความสังข์ รื้นค่ะทองจนทองจตัวเดียวหาย่าจะแต่านไปรื่นค่ะมานเิ็ีหนมโนสัตปชื่อปีเดียดงไปดังนี้มนสัมปชัดปัญญาปฏิปิเดยดี่างนั่นเกิดขึ้นเฮโซุกข้างมาเูข้างมาดูข้างมาขุ็ตาขุขตาไม่ถึงขุขตาตะตื้นตูดลีติดดีอ่านหน้าเท่านี่หนุนถึงถึงใจเยอ พอฟังดูดีแล้วนิดนึงบางทีรักษาติเพ่อดนน้านาังนงนเยนานนี้ติีที่ดา่งทั้งจยังกอย่างนระมชาติีาดี ตัวไทยตอนดินดึงที่สุดที่ไหนนั่นนมันเา่นมันะดทัตีการอาินีนะอธรรมธรรมะยกวุหมายธรรมะที่ยอดเยี่ยม คิดนะคิดตึกเหมือันตักสารผูจางส่ใส่เหมืนันั้นเนัั้นได้พ่นแล้วติการยิ่มึิ่งยิ่งจุกคูกพนแล้ว เการมีสุขงคนล่าจะบอกว่าทั้งตัวนั่งถึงใจนต่หน้าตาหน้ไม่เป็นหนนั้นปฏิบัตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นงแยกันแล้วแล้วเข้ละเสียใจที่ต้งแต่งต้ตัดถ้ามาตัดจุดจะต้องอยู่นั้นแน่ รรานานีนา so, ับตั month, ืัวเนาปวั่านยายตรืท่านข้ารอนี่ตัวเรือติดตัวไ้นนเาเียงานงานนปิราบัม่เป็อย่างนี้ข้าวเอารทาข้าวัดเข้าลาข้าีทางเอา ไมหนงเานนี้อะไรจะพิจารณเหมือนกัดูพิจารณาสัญญาสัญขารุ่นยที่มันเกิดผมเรื่องมันทั้งเกิดทั้งหลักเราเป็นนักตาล้วนๆมันเลยอัตตาอาการพิจารณาขึ้นมาทสผมนี่จังที่ของนราเขา่ามันเลยอัตตาล้วนๆดต่างๆตาเลยนมาตาสัญญาตาสร้างขารามาตาดิงยานาตาอะไรอย่างนรียชยอมันมเป็นธรรมานาตาทั้งนั้นรวม้เป็นธรรมานาตา ข้างห้าหลานี้เป็นธรรมนามัสกาทนี่ธรรมามัสการจะเป็นตรงนีทเองันห้าเป็นหามัาแล้วไม่ได้ในจิตนี่จินี่ไปยัน้จะถือได้ยังไงนี่ธรรมนามัสการกาหนดเมื่อขาดําหนดจิต้องหลุดค้นไม่จะหลุดพ้นงานทังนี้จ้งข้าิตนี้ปแล้วย่อมหนีย่อมหนีไปหมเลยทมีจิตงานนั่งติดนมงนเขาไม่แจ้งข้าวจิไป้ย่อมหนีเราไม่หีเียงแต่เร่าเรืองข้านานั้นมม่ห มันไม่เบื่อหน่านไม่ชากำหนัดอะไรอะไรนน ถ, ถ้าันไม่เข้าถึงจิดซก่อนนั่งพอห้า้อาการ น, นี้มันต่อไม่แล้วมันเลยเหลือต่จิตเดื่เดียวทีน่นี่นั่นเข้าไที่งานนั้นอีกแล้วจิตที่น่นก็ตัด อ, อาก า, า, า, ารมาหน่อยแล้วสมมติต้องวิชาทางเดินของวิชาหรือต้มีของวิชาไม่เดือดริ้ววิช า, าขัาาน้นถามยง คือถูกตัดมนล้วที่เรารูทาเขาทำท่าทางนี้ไม่รู้แต่ความร้อันเดียวนี่ราไ่ใช่เราไม่คาติวเราไม่คาขนที่ได้ดุพ้นในขณะที่ยอดแนห้านัเลยมันต้องว่าสตินี้เป็นอะไรเป็นอะแต่กระจาเนี่ยออกจากนี้แล้วแต่ว่านี่มันตรง้ถืว่าเ็นหนึ่งปัญหา ถ้า us, alive, dark, э become, hall, rauen, hmm. Filter, ัน <|si|> mm. ้างก็ม er, ันค้างไปไหนมันค้ามัค่าิบัตเป็นตัวอาตมาเล่าถึงเนื่องนี้นะอริยปิปปุสไม่ยอมรับทางเื่อนนั่นถูกต้องคือปิบติจระทั่งสิจตข้าเบือหนาในจิตอีกนั่นเบือนหนาในจิตภายนอกเพราะนั่นแล้วถ้าเทียนหนาในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตอะไรเลวเบือนหนาในมันเก็บเลยเบือนหนาทาอารมณ์ได้ไหมสิ่งที่มาสัมผัสายในจิตทาอารมณ์สจิตจนถูกเบือนหนทั้งหมดเลย ตัข้งนี้ตึงมันจติเลยเลือกกรนาดตากนี่หมายถึเลือกขโมงถ้าเป็นภาษาเลยก็จะบอเลือกพัฒนามาขึ้นตาข้างนี้ตึเลยนะที่ไม่ต้องพูดดีสายผมงค็นพ huh ื like. er ้นเขาขึ้นเลยเชอแล้เขามายถึงพัฒนามให้แทนตัวระยะเ้ื่แล้วเขาเชื่อว่อมันมีตาข้นงนี้ตึงมีดีดิจามาในสิ่งกำลังนั้น มันเป็นดัแล้ทธิติตาตลอดติดมันก็เป็นอย่างนั้นพร้อมคิดจะมามีข้าแต่่ามันก็ตายแล้วไปติดเป็นเพล่ในติดแล้วมันค่านเพือมายคำห้าเนี่พอเอนย้างเข้าใจนแล้วมันผานไม่ได้นี่มันไม่ได้าไติก็แต่มันผานไม่ได้อือมันเป็นความนึ่งนี้นะแ